ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าฉันขอความคุม้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งยามรุ่งอรุณให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ปรองทรงบันดาลให้มีขึ้น และความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปเมเงื่อนและจากความชั่วร้ายของความอิจฉาเมื่อเขาอิจฉา